พุทธะตานานพระเจ้าเรียบโลกตานานพระเจ้าเรียบโลกหรือพุทธะตานานเป็นคำพีปรากฏแพร่หลายในทางภาคเหนือของไทยขณะนี้ยังมีต้นฉบับใบลานที่จารคัดลอกกันต่อๆมาจํานวนมากหลงเหลืออยู่ตามวัดใหญ่ๆโดยเฉพาะในเขตจังหวัดเชียงใหม่ตามที่สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทําการตรวจสอบทําบัญชีเอาไว้มีดังนี้ฉบับความพิสานตํานานพระเจ้าเรียบโลกฉบับวัดกูค่คําตําบลวัดเกศอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตํานานพระเจ้าเรียบโลกฉบับวัดเวียงตําบลล้อมแรดอําเภอเถินจังหวัดเชียงใหม่ตํานานจอสพันหฉบับวัดเชียงมั่นตําบลสีภูมิอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พุทธะตำนานขาดผู่ที่หนึ่งและสิบเอ็ดฉบับวัดเชียงมั่นฉบับที่สองพุทธะตำนานขาดผู่ที่หนึ่งฉบับวัดดอกเอื้องตำบลสีภู ม, มิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พุทธะตำนานฉบับวัดสันป่าค่อยตำบลวัดเกศอำเภอเมืองจังหวัดเ and, ชียงใหม่พุทธะตำนานฉบับวัดเมืองลังตำบลป่าตันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตำนานพุทธเรียบโลก ฉบับวัดดอนปินตำบลแช่ช้างอําเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ตํานานพระบาทพระธาตุฉบับวัดแม่สุขตำบ bon ลแม่สุขอําเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาฉบับความย่อตํานานพระเจ้าเรียบโลกฉบับวัดสันป่าเลียงตำบลหนองหอยอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พุทธตํานานฉบับวัดสารโค้งตำบลทรายมูลอําเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ พุทธะตำนานฉบับวัดดาวดึงตําบลหายยาอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีสองผูกตํานานพระเจ้าเรียบโลกฉบับภาคตะวันออกเฉียงเหนือลําพระเจ้าเรียบโลกฉบับศูนย์อนุรักษ์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดมหาชัยอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม พระเจ้าเรียบโลกฉบับวัดบ้านแสนอย่างตําบลเหล่าบกอําเภอม่วงสาสิบจังหวัดอุบลราชธานีพระเจ้าเยี่ยมโลกฉบับวัดโพดกตําบลป่าหวายนั่งอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเนื้อความโดยย่อเอกสารใบลานเรื่องตํานานพระเจ้าเรียบโลกฉบับวัดกู่คำมีจํานวนสิบสองผูกจํานวนหน้าลานสี่้เจ็ดสิบหน้า ผูกที่หนึ่งถึงผูกที่11เป็นเนื้อหาของเรื่องพุทธตำนานหรือตำนานพระาธาตุพระบาทโดยสมบูรณ์ส่วนเนื้อหาในผูกที่12เป็นเรื่องย่อใจความในผูกที่หนึ่งถึงผูกที่11และสำหรับรายชื่อสถานที่บ้านเมืองต่างๆบางชื่อผู้วิจัยไม่สามารถให้รายละเอียดได้เนื่องจากไม่ปรากฏในปัจจุบัน หรือบางทีก็อยู่นอกพระราชานาจากไทยจึงเป็นการยากที่จะทำการศึกษาค้นคว้าให้กระจ่างชัดได้ความย่อในผูกที่หนึ่งเนื้อเรื่องเริ่มต้นด้วยการกล่าวยกย่องพระเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าในสมัยที่พระองค์ได้เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งได้บำเพ็ญทานบรารมีมาทุกๆุกชาติครั้นถึงสมัยที่มาบังเกิดเป็นพระสิทธัตะ ได้เสด็จออกบันประชาจาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเสด็จออกเทศนาสั่งสอนประชาชนตามบ้านน้อยเมืองใหญ่เพื่อประดิษฐานรอยพระบาทและพระเกศาธาตุรวมทั้งการที่ทรงทำนายอนาคตการของสถานที่เหล่านั้นเริ่มตั้งแต่ออกจากเมืองพาราณสีประเทศอินเดียจนล่วงเข้าไปในเขตเมืองลีอาณาจักรฮริพุนชัย ประทับรอยพระบาทแล้วเสด็จถึงท่าหัวเคียนแล้วเสด็จเรียบริมฝั่งแม่น้ำปิงถึงที่หนึ่งเทวดานำผลสมอมาถวายพระองค์พระองค์เสวยแล้วทำนายว่าที่ตรงนั้นต่อไปจะเป็นมหานครใหญ่นามว่าฮริพุนชัยพระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองโดยเฉพาะในสมัยของพระยาอธิตราด ต่อจากนั้นเสด็จถึงอุชุบันพุทหรือดอยสุเทพประทับแล้วผินพระพักลงไปเบื้องล่างทางด้านทิตะวันออกทํานายว่าต่อไปพระพุทธศาสนาจะมาประดิษฐานและรุ่งเรืองในอภินวาวนนครหรือเชียงใหม่จะมีพระเถระ ร, ะรูปหนึ่งไปนำเอาพระบรมธาตุมาจากประเทศลังกา และจะประดิษฐานไว้ที่บุปผาอารามหรือวัดสวนดอกเชิงดอยชุเทพสเสด็จจากดอยชุเทพไปส่งน้ำที่ปากแม่น้ำสาเขตอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปยังตำบลยางหมอกพระองค์ทานายว่าต่อไปจะเป็นสถานที่ที่ประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธิ์จากนั้นสเสด็จเลียบฝั่งแม่น้ำปิง ประทับรอยพระบาทบนก้อนหินก้อนหนึ่งเรียกว่าพระบาทผาชะแคงหรืออีกชื่อหนึ่งคือผาตะแคงในเขตอำเภอเมืองฝางจังหวัดเชียงใหม่ลำดับนั้นเสด็จโดยลวงอากาศคือเหาะขี่พระหัตไปยังยอดดอยแห่งหนึ่งทำนายต่อพระสารีบุตรอครสาวกว่ า, าศาสนาจะมารุ่งเรืองในอำเภอเมืองเชียงดาวเคีย อ, อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ จะบังเกิดอารามพระยาคำแดงและพระองค์เสด็จไปยังเมืองลืออาณาจักรสิบสองปันนาเมืองนี้จะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุคือมีดโกนพระเกศาของพระองค์พุทธศาสนาจะรุ่งเรืองภายภาคหน้าเสด็จต่อไปอยังอุตรปรญจระนครหรือแสนหวีที่พระองค์ได้เคยเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์มโหสถบัณฑิต สเสด็จยังเมืองวิเทหะหรือหนองแสพระยาวิเทหะกระทำการอันประมาทคือ น, นําอาหารและคีฬาณปัจจัยใส่ถาดทองคําวางบนหลังช้างเพื่อนําไปถวายพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทํานายว่าเมืองนี้ต่อไปจะไม่มีช้างอีกแต่พระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองมากนักและเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวป่างคือฟันเขี้ยวที่อยู่ถัดฟันกรามออกมา แล้วเสด็จกลับกรุงโกสัมพีชำระพระองค์ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงหรือสารวินต่อไปจะได้ชื่อว่าท่าเข้าตอกพระองค์ประทับรอยพระบาทบนหินก้อนหนึ่งจากนั้นเสด็จเสวยพัตตาหารพร้อมด้วยพระรหัน500หน้าร้อยรูปณดอยเวภารบันพฤษหรือรังรุง้งอันเป็นเขตแดงรอยต่อของสามอาณาจักรคือกรุงโกสัมพีหรือแสนหวี หริพุนชัยของไทยและเมืองแพรหลวงของจีนจากนั้นประทับรอยพระบาทซ้อนรอยพระบาทพระพุทธเจ้าสามพระองค์คือพระพุทธกะกุสันทะพระพุทธโกนาคมณะพระพุทธกส ป, ปะบนหินก้อนหนึ่งแล้วทรงทำนายว่าอีกสองพันปีรอยพระบาทจะปรากฏแก่ตาคนทั้งหลาย จากนั้นพระองค์เสด็จกลับยังเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีความต่อไปพระสารีบุตรอักสาวกกล่าวเรื่องเมืองแพร่หลวงอันอยู่ด้านทิศเหนือกรุงโกสัมพีมีดอยลิงสองดอยจะเป็นที่ประดิษฐานรอยพระบาทและพระบรมธาตุในอนาคตจากนั้นกล่าวถึงวิธีการบูชารอยพระบาทและพระบรมธาตุบนดอยกินนรี และอีกที่หนึ่งเรียกผาม่อนหรือผาอบธาตุหลังจากพระพุทธองค์ปรินิพานไปสองพันปีพรานผู้หนึ่งค้นพบรอยพระบาทบนรอยรังรุง้งและการต่อมาพระเจ้ามังรายมหาราชคือกษัตริย์องค์ที่หนึ่งราชวงศ์มังรายผู้สถาปนาอาณาจักรล้านนาพร้อมบริวารได้ธนุบำรุงและสร้างถาวรวัตถุประกอบพระบาท ร, รังรุ้ง คือพระบาทสี่รอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นที่สาการะบูชาของอนุชนใจความตอนต่อไปกล่าวถึงพระบรมธาตุในเขียดเมืองฝางคือถ้ำดอยผาตะลุหรือผาตับเตา่าที่นี่พระพุทธองค์ประทานเกศาธาตุแก่พระอ น, นุ์พุทธอุปถากมาประดิษฐานไว้เพื่อเป็นที่สาการะบูชาแก่คนและเทวดา ตราบชั่วห้าพันวสาจากนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จรับพระตาหารจากชาวลาวาสองคนสามีพัญญาและประทับรอยพระบาทผาดานบ้านยางควงตําบลรั้วนหนางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วพระรหารเจ็ดองค์จะได้นำพระบรมธาตุมาบรรจุหน้าที่นี้ความย่อในผูกที่สอง ความกล่าวถึงพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระอานนท์พระอินทร์และพระยาโสมเสด็จออกจากเมืองกุศินารายเทศนาสั่งสอนประชาชนไปถึงสถานที่หนึ่งพระองค์ทำนายว่าที่นี่ต่อไปพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองตราบห0 0พันวสาและเมื่อถึงพุทธศักราช218พระเจ้าโสกมหาราชสถาปนาพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองในเมืองปาตลีบุตร แล้วเผยแผ่ไปทั่วชมพูทวีป พ, พระองค์จะกรอบพระเดีย์บรรจุพระเกศาธาตุถึงห้าองค์องค์หนึ่งองค์หนึ่งจะจมลงไปในแผ่นดินเมื่อครบหนึ่งพันปีจนท้น 5, วนห้าพันวสาทั้งนี้ในเขตอาณาจักรทวาราวดีความต่อไปกล่าวถึงการประดิษฐ า, านพระเกศาธาตุบนรอยสิงคุตระในเขตเมืองหงสาวดีมีพ่อค้าสองพี่น้อง คือตะปตสะและพลิกะพระพุทธองค์ทรงประทานเจส า, าธาตุดองค์เพื่อนำไปประดิาษฐานในเมืองอุบล น, นครหรือหงสาวดีแต่ระหว่างการเดินทางกษัตริย์แคว้นเชตุดอนอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของอินเดียขอแบ่งเอาสององค์และพญานาคมาขโมยไปสององค์เหลือถึงพญาหงสาวดีสองค์ พระเกสาธาตรรมปาฏิหาริย์กลายเป็นแปดองค์ดังเดิมจากนั้นกล่าวถึงการก่อใจดีสย์ถูกประดิษฐสถานนาสิงคุตละบันพศอย่างประณีตงดงามและได้ธนุบวบรงสืบต่อมาอีกความย่อในผู่ที่สามกล่าวถึงพระพุทธองค์และพระรหาหันเสด็จเข้าสู่เขตสุวรรณภูมิสมัยอาณาจักรทวาราวดีถึงเมืองเชียงของ คืออำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายประธานพระเกศาธาตุและประทับรอยพระบาทที่เมืองคางปัจจุบันเรียกว่าบ้านกลางจากนั้นสเสด็จเมืองเชียงตุงเขตพมา่าประธานเกศาธาตุและประทับรอยพระบาทที่ท่าผาคมและที่ดอยช่องวางหมู่บ้านจ่องบองคือบ้านที่มีลักษณะเป็นช่องเป็นรูจากนั้น สเสด็จปราบยักษ์าเสนาที่ดอยรูปช้างหมอบริมฝั่งแม่น้ำ ม, มุคคาทีณที่นี้พระองค์ประทับรอยพระบาทซ้อนรอยพระบาทพระพุทธเจ้าสามพระองค์ซึ่งต่อไปเรียกว่าพระบาทท่าวางงามเขตนาคุณละประเทศพมา่าดอยนั้นได้ชื่อว่าเวสารบันพลดหรือดอยผู้ปูสร้างเมืองสูงลำดับนั้น สเสด็จประทับรอยพระบาทในถ้ำแห่งหนึ่งเขตเมืองสูงแล ะ, สะเสด็จประทับรอยพระบาทดอยผาช่อดอยภูคำหรือภูคำสเสด็จต่อไปดอยมหิยงเมืองยองเขตสิบสองปั น, นาทานายว่าต่อไปจะเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุสี่องค์เมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วจะเป็นที่ประดิษฐานพระนาราตะธาตุขั้นพระองค์ปรินิพานได้สปี พระยาสุรงค์ขวัดได้สร้างเจดีธาตุและทานุบารวุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองพระพุทธเจ้าปรินิพานได้สองพันปีบ้านเมืองเกิดยุคเข็นพระบรมธาตุจึงแสดงปาฏิหารและบังเกิดนักปราชญ์ท่านหนึ่งเป็นที่นับถือกราบไหว้เมื่อ น, นั้นบ้านเมืองจึงจะสงบสุขและรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งความย่อในผู่ที่สี่ กล่าวถึงพระพุทธองค์เสด็จเมืองห่อเขตอยู่นานและย้อนกลับมาเมืองือเขตยบสบสองปานาได้ประทับรอยพระบาทที่เมืองห่อและเมืองแขะเป็นที่อยู่ของพวกแขะไตหลงหรือไทยหลวงบ้านแจ้งคําบ้านเขียวข่ําและเสด็จประทับรอยพระบาทขนาดย่อที่ดอยผาน้อยเมืองอาโลวีเมืองลาเสด็จเมืองเชียงใต้เชียงเหนือ เสด็จต่อไปประทับรอยพระบาทที่บ้านแจ้งค้อนยามและที่ห้วยน้ำอุ่นหรือน้ำอุ่นในเขตบ้านล้านองค์และต่อไปยังบ้านแก่นลำดับนั้นได้เสด็จประทับรอยพระบาทที่เมืองลือหางและเมืองลือต่อไปเมืองผาหรือพ้างซึ่งแปลว่าร้ายเมืองคนใจหมินหรือใจแคบต่อไปเมืองบางเมืองแช่ทองหมู่บ้านจอมทอง แลเสด็จประทับรอยพระบาทเมืองร่มฟ้าร่มอู่สเสรยพัตตาหารและประทับรอยพระบาทเมืองอู่ไตจากนั้นประทับรอยพระบาทที่เมืองน้อยอ้อยเหลืองและที่ดอยผาแรมเมืองสุงความย่อในผู่ที่ห้าพระพุทธองค์เสด็จออกจากดอยผาแรมโปรดชาวเมืองและประทับรอยพระบาทที่เมืองชางหลวงต่อไปประทับรอยพระบาทเมืองลาเมืองบาล บ้านหลวงพันแข้งบ่อแรกหรือบ้านบ่อหลวงบ่อเป็ดล้างแต่งเมืองลาใต้าลาเหนือจากนั้นเสด็จประทับรอยพระบาทลงคิดหลวงแวนประทับรอยพระบาทเมืองเชียงแข็งเมืองขันม่อนหรือดอยผารูปช้างพระบาทแห้หรือแร่หินกลวดพระบาทผานอนพระบาทท่าน้ําทุนพระบาทผาหลวงกูพระบาทปูจีหรือดอยลําแท้พระบาทคทิงขชี พระบาทบ้านท่องพระบาทผาน้อยสเสด็จเมืองเชียงครึ่งประทับรอยพระบาทผาค่ำดอยหรือพระบาทผาคำต่อไปที่พระบาทผาขาวความย่อในผูกที่หกพระพุทธองค์สเสด็จหมู่บ้านสุทธาวาตที่นี่ไม่เหมาะกับการประดิษฐานพระเกศาธาตุพระองค์จึงประทับรอยพระบาทบนก้อนหินก้อนน้อยไม่เต็มรอยที่โบราณคาม เสด็จถึงดอยจอมไกลชาวบ้านไม่ได้ทูลขอรอยพระบาทพระพุทธเจ้าทำนายว่าต่อไปจะเป็นที่ปฏิสฐานพระธาตุแล้วเสด็จประทับรอยพระบาทดอยจอมใครเพียงสันพระบาทในเขตเมืองลวงใต้ลวงเหนือคือพระบาทฟ้าวลงต่อมาเรียกพระบาทฟั่งลงในเขตบ้านเชียงม่วน แล้วเสด็จประดิษฐานพระเกศาธาตุดอยปู่หลานบ้านวังแดงและประทับลอยพระบาทนเมืองน้อยเมืองงามต่อไปเมืองผ่านฝ่ายพระบาทกูมาเมืองผ่านใต้ประทับลอยพระบาทผาดอกไม้เมืองหนเสด็จเมืองรายประทับรอยพระบา ท, บ, บ, านาท บ, บ, าบนผ้าขาวให้ชาวบ้านนำไปประดิษฐานบนดอยต่อมาได้ชื่อว่าพระบาทหินก้อน ประทับรอยพระบาทห้วยตุ่มตุมและถึงเมืองอองเต่าหรือกระดองเต่าต่อจากนั้นเสด็จประทับรอยพระบาทหน้าเมืองเซี่ยวหรือเคียงคาต่อไปเมืองงาดต่อไปบ้านหกบ้านเติมบ้านดอยที่นี่ประทับรอยพระบาทบนผ้าขาวภายหน้าจะเห็นเป็นรอยเสื้ออยู่บนพระบาทเสด็จเมืองพานประทับรอยพระบาทเสด็จเมืองขางประทับรอยพระบาทถ้ำผาแดง ซึ่งเป็นการประทับซ้อนรอยพระบาทพระพุทธเจ้าสามพระองค์จากนั้นสอนชาวเมืองให้รู้จักทำยน์ผัดน้ำหรือยนต์หมุนเข้านาต่อไปประทับรอยพระบาทเมืองคลางอยากน้ำพระบาทบ้านเวียงบ้านฝางแล้วเสด็จดอยช้างสารคือดอยรูปช้างหมอบประทับศีห์สายญาติสยน์บันลังการตามพุทธประเพณีแห่งพระพุทธเจ้าสามพระองค์ ตราบจนถึงสมัยพระรยะเมตรไตรเนื้อความต่อไปอธิบายเหตุแห่งอายุมนุษย์ในกับต่างๆความย่อในผูกที่เจ็ดพระพุทธเจ้าสเสด็จประดิษฐานพระเกศาธาตุนาดอยเยืองขึ้นแล ะ, สะเสด็จประทับรอยพระบาทยังบ้านดาวหลวงที่หนึ่งต่อไปพระบาทบ้านแก้วสเสด็จปราบอาราะวะกะยักษ์เมืองอารวี พระทับรอยพระบาทซ้อนรอยพระบาทพระพุทธเจ้าสามพระองค์ที่มีในตำนานกล่าวถึงถ้ำกวางคาและเรื่องราวของอาราวกัยากซึ่งกินคนในเมืองอารวีจนเกือบหมดจนถึงพระยาอาราวีต้องส่งพระราชบุตรไปให้ยักษ์กินพระพุทธองค์ปราบพระยศยักษ์ได้ให้ยึดถือศีลห้าและพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งให้ส่งคืนราชบุตรแก่พระยาอารวี พระองค์อยู่จำพรรษาณอาคาราเจดีดอยโลหกุตระตามคำอาราธนาของพญาอรารวีพระองค์ทำนายต่อพระอานนท์ว่าภายหลังปรินิพานแล้วอังคาราเจดีจะเป็นที่ประดิษฐานกระดูกระหม่อมของพระองค์ส่วนเจ้าราชบุตรได้บวชและสำเร็จเป็นพระราหันมีนามว่ามหาหัตถกะอรารวกกะเถระ พระบาทซ้อนรอยสามพระพุทธองค์ได้ชื่อว่าพระบาทดงนั่งพระบาทในถ้ำได้ชื่อว่าพระบาทกวางคำอยู่ริมแม่น้ำสายคำจากนั้นก็เสด็จขึ้นไปตามลำน้ำสายคำประทับรอยพระบาทที่หาดใหม่ต่อไปถึงพระบาทบ้านทุ่งยางพระบาทหลวงสูงหลวงต่ำพระบาทว้าวใต้ว่าวเหนือเสด็จเมืองวงัง ประทับรอยพระบาทห้วยพล้าซ้อนรอยพระบาทพระพุทธเจ้าสามพระองค์ต่อไปพระบาทของดอกไม้หรือพวงดอกไม้พระบาทติงตายพระบาทแจงแคมพระบาทเชียงผาพระบาทเมืองมางจากนั้นโปรดเทศนาประชาชนในเขตเขมรัฐคือเมืองเชียงตุงความย่อในผูกที่8ปดพระพุทธองค์ออกจากเมืองเขมรัฐเข้าสู่โยนกนคร ถึงแม่น้ำพยากเมืองเพียประดิษฐานพระเกศสาธาตุทานายว่าต่อไปจะมีเจดีธาตุเป็นที่ประดิษฐานหัตถธาตุข้างขวาพระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองแล้วพระองค์เสด็จสู่ดอยโลหะกุต ร, พระพญาอาสุกและพระรหันทูลขอพระเกศสาธาตุบรรจุพระอบทองคำซ้อนในพระอบแก้วประดิษฐานไว้ในถ้ำแห่งหนึ่ง พระองค์ประทับรอยพระบาทไว้ด้วยรับสั่งว่าเมื่อพระองค์ป ร, รินิพพานแล้วจงเอาหัตถธ า, าตุข้างซ้ายมาประดิษฐานที่นี้จากนั้นสเสด็จเข้าเมืองช้างแสนหรือเชียงแสนประธานเกสาธาตุมอบละว้าขุนแสนทองคํานําบรรจุพระอบทองคําประดิษฐานไว้ริมฝั่งแม่นาม้ากูกุตะนาทีหรือแม่น้ากกเมื่อพระองค์ป ร, รินิพพานแล้ว จงเอากราธาข้างซ้ายมาประดิษฐานไว้จากนั้นสเสด็จเมืองชีรายหรือเชียงรายประทับฉีม่านรายแล้วประทานเกศธ า, าตุบรรจุพระอบแก้วประดิษฐานไว้ในถ้ำแห่งหนึ่งเมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วจงเอาธาตุองคุลีทั้งสิบมาประดิษฐานไว้จากนั้นสเสด็จเมืองพระยาวหรือพระเยาวประทานเกศธ า, าตุ พระยาสุตโสมเจ้าเมืองนำมาบรรจุพระอบทองคําประดิษฐานไว้ในถ้าแห่งหนึ่งเมื่อปรินิพานแล้วจงนําเอาธาตุแขนข้างซ้ายมาประดิษฐานไว้ด้วยจากนั้นเสด็จเมืองลําพางหรือลําปางละว่าชื่อไอขอนถวายหมากพร้าวหรือมะพร้าวเสวยแล้วประธานเก้าสาธาตุเอาใส่พระอบทองคําประดิษฐานในหลุมลึก ต่อไปจะมีการสร้างเจดีย์บรรจุการ ท, ทาธาตัหรือท่ากระดูคอเรียกว่าเจดีย์ท่าลำปางจากนั้นเสด็จเมืองน่านประธานเกศาาธาตุใส่ผอบแก้วแล้วใส่ในน้ำเต้าทองคำบรรจุในเจดีย์สถูปทรงทำนายว่าต่อไปจะเป็นที่ประดิษฐานท่ากระดูคอพระกร้ายจากนั้นเสด็จเมืองแพร่ ประธานเกาธาตุบรรจุพระโอบแก้วไว้ที่ถ้ำแห่งหนึ่งต่อไปจะเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุกระดูกข้อศอกซ้ายลำดับนั้นเสด็จบ้านละว้าผู้หนึ่งเขตแดนต่อเมืองหงสาวดีริมฝั่งแม่น้ำปิงที่นั้นเรียกท่าสอยประธานเกาธาตุบรรจุพระโอบทองคาขุดหลุมพระโอบทองคาขุดหลุมฝังไว ภายหน้าจะเป็นที่ประดิษฐานท่ากระดูแขนซ้ายสเสด็จต่อไปท่าสายเขตอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ประธานเจ้าสาธาตุบรรจุโพบทองคําประดิษฐานไว้ในถ้าแห่งหนึ่งเรียกว่าถ้ำสายคําหรือสุวรรณครูหาและประทับรอยพระบาทถ้าดอกไม้สเสด็จต่อไปอยังเมืองลีจากนั้นสเสด็จไปทางป่าทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองลี และประทับรอยพระบาทบนหินก้อนหนึ่งสเสด็จดอยผาเรือประทับรอยพระบาทท่านผาคำในถ้ำ ม, มีหีบพระธรรมเจ็ดหีบซึ่งพระจุนธะเถระอรหันตสาวกพระพุทธเจ้าสร้างไว้ก่อนท่านนิพพานพระพุทธองค์ประทานเกศาธาตุแก่พระยาอาโศกและเจ้าละวะขุนแสนทองบรรจุพระอทองคำลูกใหญ่นำไปประดิษฐานในถ้ำแห่งหนึ่ง พระพุทธเจ้าทำนายว่าที่นี้ต่อไปจะเป็นที่ประดิษฐานพระนาราชธาตุเบื้องซ้ายและดอยนี้จะมีชื่อว่าดอยเกื้องในอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ความย่อในผูกที่เก้าพระพุทธองค์ประทับที่ดอยเกื้องเจ็ดวันแล้วเสด็จลงมาเลียบฝั่งแม่ปิงไปทางด้านทิศเหนือพญยานาคตนหนึ่งควักดวงตาถวายบูชา พระพุทธองค์ประทับรอยพระบาทบนหินก้อนหนึ่งตรงที่พระองค์ประทับยืนมีชื่อเรียกว่าสังเวสโสนเจดีทรงรำพึงว่าต่อไปบริเวณนั้นจะเป็นมหานครและจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุมากกว่าที่ใดๆแล้วเสด็จถึงบ้านกุมพระเศียีประธานเกสาธาตุองค์หนึ่ง พระอาหารหันต์และกุมภเศษฐีนำบรรจุพระอบทองคําขุดหลุมฝังไว้ซึ่งต่อไปจะมีการสร้างเจดีย์ครอบลงไปทำนายว่าจะเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุกระดูกกระหม่อมข้างขวาของพระองค์จากนั้นเสด็จบ้านทิชาซึ่งต่อไปจะมีชื่อเรียกว่ากุมกามประธานเกษธาตุและพระยาอาโศกกับละวาทั้งหลาย นำไปบรรจุโพทองคําขุดหลุมฝังไว้จากนั้นสเสด็จประทับดอยคําหลวงหนึ่งคืนรุ่งเช้าสเสด็จประทับรอยพระบาทบนหินใต้ต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งทรงรำพึงในพระทัยว่าบริเวณที่นี้ต่อไปจะเป็นมหานครคือเชียงใหม่ภายหน้าพระพุทธศาสนาจากรุ่งเรืองจะเกิดมีมหาอารามแปดแห่ง ได้แก่บุภารามหรือวัดสวนดอกวัดเวรุวันอารามคือวัดป่าหกหรือวัดป่าภัยได้แก่วัดกู่เต้าวัดบุพารามอโศการามหรือวัดป่าแดงพียชะอารามหรือวัดหลวงสีเกิดสังคารามหรือวัดเชียงมั่นนันทารามหรือวัดนันทาและโชติอารามหรือวัดเจดีหลวงในแต่ละแห่ง พระองค์ได้ประทานเกศาธ า, ธาตเพื่อประดิษฐ า, านแห่งละหนึ่งองค์ส่วนบริเวณที่เป็นตัวเมืองเชียงใหม่นั้นเดิมชื่อว่าอภิณวนครเพราะพระองค์ได้ประทานเอหิภิกขุอุปสมบทาแก่นักบวชพมา่าสององค์ลำดับต่อจากนั้นพระองค์เสด็จประทับที่บ้านกุมภาเสถีกุมภาเสถีเป่าร้องละว้าชาวบ้าน ช่วยกันร่วมสร้างพระพุทธรูปบินเผาได้ถึงสามล้านสามแสนองค์นำถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็โปรดให้ขุดหลุมฝังดินทั้งหมดทํานายว่าเมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วพระพุทธรูปเหล่านั้นจะปรากฏออกมาให้เห็นเป็นที่สการะบูชาแก่คนทั้งหลายหลังจากนั้นสเสด็จประทานเกศาธาตุประดิษฐ า, านณดอยนางนอน หรือนางน้องต่อไปถึงเมืองยวมคืออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนประทับรอยพระบาทแล้วเสด็จต่อไปเมืองพระบางฉบับเชียงมั่นว่าเมืองสายประทับรอยพระบาทเสด็จผ่านเมืองแปรผ่านเมืองตะโกงกลับถึงเชตวันมหาวิหารความต่อจากนั้นกล่าวเรื่องพระพุทธองค์เมื่อพระชนมายุห0สิบพรรษา เสด็จเข้าเขตโยนกนครโปรดเทศนายักษราชาที่ดอยอ่างสลงหรือสลุงในเขตเมืองเชียงดาวคืออำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ยักษราชาละพยศสมาทานศินห้าพระองค์ทํานายว่าเมื่อพระพุทธศาสนาย่างเข้าเขต ส, สามพันวัฏสงยักษราชาจะมาบังเกิดเป็นพยาธรรมมิกราชปราบยุคเข็น และทำนุบารุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองในเมืองเชียงดาวนั้นความย่อในผูกที่สิบเนื้อเรื่องกล่าวถึงคำทำนายของพระพุทธองค์ต่อพระอินเกี่ยวกับความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนาในช่วง5 0 0พันปีดังนี้พุทธศักราช218พระเจ้าอโศมหาราชจะทรงรวบรวมอาพระทาต แจกจ่ายไปยังบ้านน้อยเมืองใหญ่ถึงแปด0 0สพันเมืองพุทธศักราชห้าร้อพระภิกษุณีจะหมวดไปจากพระพุทธศาสนาพุทธศักราชหนึ่งพันเจพระสงฆ์จะแตกแยกออกไปเป็นสี่เหล่าหรือนิกายพุทธศักราชหนึ่งจะบังเกิดพญาธรรมิกราชองหนึ่งมาทำรูปบารุงพระพุทธศาสนา พุทธศักราช 1,900 จะหมดเชื้อสายพระอระหันต์พุทธศักราช 1,918 ถึง 1,919 จะเกิดกาลียุครบราฆ่าฟันกันไปทั่วแผ่นดินพุทธศักราชสองพันผู้คนจะละเว้นการปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมพระสงฆ์หมู่หนึ่งจะหล่อพระพุทธรูปห้าองค์ด้วยทองเหลืองทองคำแก้วมณีหินและไม้จันทร์ นำไปประดิษฐานในเมืองต่างๆห้าเมืองและเมื่ออายุพระพุทธศาสนาล่วงเข้าเขตสามพันปีพระพุทธรูปทั้งห้าองค์จะมารวมกันนเมืองเดียวกันจะบังเกิดพระยาธรรมมิกราชองหนึ่งมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแต่ในช่วงนั้นพระสงฆ์อรัญญวาสีจะค่อยๆหมดไปด้วยพอใจที่จะมาอยู่วัดในเมืองคือคามวาสี มีความผิดปกติเกิดขึ้นนั่นคือชาวป่าชาวเขาเกิดศรัทธาใฝ่ใจทำนุปบำรุงพระพุทธศาสนาในขณะที่คนในเมืองอาศัยวัดวาอารามเป็นที่ทรมาหากินโดยไม่กลัวบาปสมณะชีพรามละเลยการปฏิวัติวัดครองทาอันดีงามความเป็นไปดังกล่าวอยู่ในช่วงพุทธศักราชสองพถึงพัน พระสงฆ์พากันสั่งสมสมบัติลาบยศแล้วพากันลาสิขาบทออกไปเป็นผู้คลองเรือนพระพุทธองค์ทำนายความเจริญความเสื่อมของพระพุทธศาสนาในช่วงห0 0พันวัฏสและเมื่อใกล้ถึง 5,000 ันปีจะเกิดกเรียุคคือไฟบาลายการล้างโลกด้วยเทวดาอารักษ์เป็นผู้บันดาลให้เกิดขึ้นเพราะความไม่พอใจในการกระทาของหมู่มนุษย์ แต่พระพุทธเจ้าได้สั่งพระอินทร์ไว้ว่าเมื่อถึงช่วงทุกทุ ก, ท ก, ทกพันวัฏสาให้ทรงพระยาธรรมวิกราชจากสวรรค์ลงไปเกิดในโลกเพื่อพยุงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปจนถึงห้าพันปีเรื่องดังกล่าวพระอินทร์ได้บอกแก่อินทสสมภาราลือสีซึ่งอยู่ณดอยคำหลวงเขตเมืองฮริพุนชัยเพื่อนำไปประกาศให้คนทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกัน ความย่อในผูกที่11ความกล่าวถึงพระพุทธองค์ประสูตออกบรรพชาตรัสรู้และเทศนาโปรดปัญจวัคคีแล้วกล่าวถึงวัษสาที่17ได้สเสด็จจำพรรษาในเมืองอาราวีใกล้ดอยจอมทองในเขตอาณาจักรสิองปันนาแล้วกล่าวถึงการบรินิพานของพระองค์เมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วได้มีการจัดสรรปันส่วนพระบรมธาตุ กล่าวถึงพระบรมาธาตุที่บ่อแตกบ่อม้างคืออยู่ในสภาพดีไม่แตกไม่หักมีเจ็ดองได้แก่พระธาตุกระดูกกระหม่อมหนึ่งองค์พระธาตุกระดูกด้ามมีดหรือหายปล ร, ราสององค์พระธาตุเขี้ยวสี่องค์ส่วนพระบรมาธาตุที่แตกกระจัย ก, กระจายมีอยู่สามธานหรือระดับได้แก่พระธาตุขนาดใหญ่เท่ า, มาเมล็ดถั่วค้างหักครึ่งสีเหมือนทองคํา พระธาตุขนาดกลางเท่ามเมล็ดเข้าสารหักครึ่งสีเหมือนแก้วมุกดาพระธาตุขนาดเล็กเท่ามเมล็ดพันผ ก, กาศสีขาวเหมือนปีกนกยางสําหรับพระบรมธาตุทั้งหลายนี้จะมีผู้นําไปประดิษฐานไว้ในที่ต่างๆ ต, ตามคําทํานายของพระพุทธเจ้าดังนี้าธาตุกระดูกกระหม่อมประดิษฐานไว้ที่เมืองฮริพุญชัยาธาตุกระดูกหายปราข้างขวา และพระเกศาธาตุบางส่วนประดิษฐ า, านไว้ในพรหมโลกธาตุกระดูกหายป ร, ราลักข้างซ้ายและพระทันตธาตุบางส่วนประดิษฐ า, านไว้ในประเทศลังกาธาตุเขี้ยวซ้ายบนและธาตุเขี้ยวล่างขวาประดิษฐานหนเมืองตักศิลาและเมืองคันทาราตามลําดับธาตุเขี้ยวบนขวาและพระเกศกล้าวจุลามณีหรือผมมุ่นกล้าประดิษฐานไว้ในสวรรค์ชั้นดาวดึง ธาตุเขี้ยวล่างซ้ายประดิษฐานไว้ในนาคทวีป พ, พระนาราจะธาตาุประดิษฐานไว้ในประเทศลังกาธาตุย่อยประดิษฐานในเจดีย์ธาตุแห่งละหนึ่งองค์คือเมืองราชครื้เมืองเวสาลีเมืองกบิลพัทหมู่บ้านราชคามเมืองกุศินาราและเมืองสาริกานครธาตุออก อ, อกหัวหรือมันสมอง ประดิษฐานหนาอังคารเจดีเมืองอาราวีแคว้นสสองปันนาธาตุกระดูกคางประดิษฐานหนเมืองสุขโข ท, ทัยธาตุกระดูกคอประดิษฐานไว้ในนาคาทวีปรรมกกลกหรือที่กรองน้ำและผ้ากายผ่านหรือราชประคตประดิษฐานหนเมืองปาตลีบุตรไม้สีฟันทิพ ป, ประดิษฐานหนเมืองมิถิลาหรือตาลีฟู กระบอกเข็มประดิษฐานหนเมืองวิเทหะรองพระบาทประดิษฐานหนเมืองเจติยนครสนุกกระบาดหรือสมุกกระบาดหรือผ้าหุ้มบาดประดิษฐานที่หมู่บ้านพรามชื่ออุศีลคามอาสนะและหมอนอิงประดิษฐานนเมืองมกุฏนครไตรจีวรหรือผ้าสามผืนประดิษฐานนเมืองพันธุมดีบาท ประดิษฐานณนเมืองเมื่อวรหรือมัทุนครผ้าปูนั่งหรือนิสิทนประดิษฐานที่กุรุรัตหรือโกสัมพีความตอนต่อไปกล่าวถึงการประดิษฐานพระบรมาธาตุต่างๆในอาาจาักหฮริพุนชัยหนึ่งธาตุย่อยกับเกสาธาตุไว้ดอยจอมไกลหรือธุระบัรพศสองธาตุย่อยกับเกสาธาตุไว้ดอยปูหลาน สามทากระดูกฝ่ามือขวากับพระเกศาธาตุไว้ดอยแจ้ชุมเมืองพญาต์หรืออำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย 4. ถ้ากระดูกฝ่ามือซ้ายกับพระเกศาธาตุไว้ดอยว่องเมืองพาน 5. ถ้าท่กระดูกแขนขวากับพระเกศาธาตุไว้ดอยจอมกิติและดอยทองเมืองเชียงแสน 6. องคุลีธาตุพระหัตต์ซ้ายกับพระเกศาธาตุไว้ดอยจอมทองเมืองเชียงราย 7. จ็ธาตุกระดูกแขนซ้ายกับพระเกศาธาตุไว้ดอยจอมทองเมืองพะเยา 8. กันธาตุกับพระเกศาธาตุไว้เมืองลำปาง 9. ก้าธาตุกระดูกข้อพระกรนซ้ายกับพระเกศาธาตุไว้ภูเพียงแส่แห้งเมืองน่านสิบ ท่ากระดูข้อศอกซ้ายกับพระเกศาธาตุไว้เมืองแพร่11บเอ็ท่ากระดูข้อศอกขวากับพระเกศาธาตุไว้ท่าสอย 12. บสองท่ากระดูกลางศอกทั้งสองข้างกับพระเกศาธาตุไว้ท่าทาย 13. บามท่ากระดูกระหม่อมกับพระเกศาธาตุไว้เมืองฮริพุนชัย 14. บสี่ท่ากระดูคางขวากับพระเกศาธาตุ ไว้กู่คําหรือเวียงกุมกาม 15. บ้าท่กระดูกคาซ้ายกับพระเกศธาตุไว้วัดเจดีหลวงเมืองเชียงใหม่พระเกศธาตุแห่งละหนึ่งองค์ไว้ณสถานที่ดังต่อไปนี้ 1. วัดพระสิงห์เมืองเชียงใหม่ 2. วัดหลวงสีเกิดเมืองเชียงใหม่ 3. วัดกู่เต้าเมืองเชียงใหม่4 นันทารามประตูเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่หวัดเชียงม่านเมืองเชียงใหม่ 6. วัดสวนดอกเมืองเชียงใหม่ 7. ดอยนางน้องหรือดอยนางนอนเมืองติง 8. ดอยนางหรือพีกเมืองเมยพระนาราตฐาธด้านซ้ายและเกศาาธาตดไว้กับหีบพระธรรมเจ็ดหีบของพระจุลธาเถระหนดอยเกื้องหรือดอยคา เมืองหอดหรือฮอดความตอนต่อไปกล่าวถึงการทำสังคยาครั้งต่างๆจนถึงคลั้งที่สามพุทธศักราช218มีพระมหาโมกขลีบุตรเถระเป็นประธานพระเจ้าอาโศกมหาราชโปรดให้ค้นหาอุโมงค์บรรจุพระบรมธาตุสมัยพระเจ้าอาชาติศัตรูเมืองราชครือพบแล้วนำมาบรรจุพระอบ แจกจ่ายไปตามบ้านเล็กเมืองน้อยถึง 84,000 เมืองคือในประเทศอินเดียและภายนอกได้แก่ลังกาพมา่าจีนและไทยเป็นต้นความต่อจากนั้นเป็นเรื่องพระเจ้ามังรายมหาราชยึดเมืองฮริพุนชัยได้ต่อมามีการสร้างเมืองเชียงใหม่และทานุบารุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองจนถึงสมัยพระเจ้ากืนาะ ซึ่งกิจาการพระพุทธศาสนาเจริญมากและค่อยๆเสื่อมลงโดยเฉพาะหลังจากพระชายเชษฐาธิราชกษัตริย์ลานช้างมาครองเมืองเชียงใหม่แล้วเสด็จกลับไปเลยหลังจากนั้นเกิดศึกสงครามจนบ้านเมืองเสียแก่พมา่าฆ่าศึกความตอนต่อไปเป็นตอนสำคัญเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าเรียบโลกคือบอกความเป็นมาของพระบาทและพระบรมธาตุ ซึ่งมีข้อความปรากฏบนแผ่นหินในลังกาทวีปจนถึงสมัยพระเจ้าอนุรุท ธ, ธามาหาราชเมืองหงสาวดีอนาจักพมาก่าได้ส่งพระสงฆ์ออกไปสืบพระพุทธศาสนาในที่ต่างๆร้อยเอ็ดหัวเมืองโดยเฉพาะการส่งพระธรรมรโสไปลังกาท่านได้ไปคัดลอกตำนานพระบาทและพระบรมธาตุจากสมเด็จพระสังฆราชวัดพระหิน หรือมหาเสนอารามซึ่งมีรายละเอียดว่าพระบรมธาตุในอาณาจักรของสาวดีมีถึงห้าบแห่งอาณาจักรฮริภุนชัยมี23สามแห่งรอยพระบาทมี12บสองแห่งพระบาทและพระบรมธาตุในเมืองหรือเมืองไทยมีถึงเจ็ดสิบแห่งครั้นเมื่อพระธรรมมรโสเดินทางกลับและแจ้งเรื่องราวแก่พระเจ้าอนุรุธทธมหาราชแล้ว ท่านก็ออกเดินทางจาริกแสวงบุญไปบูชาสถานที่เหล่านั้นจนกระทั่งมาถึงดอยเกื้องดอยคำเขตเมืองหอดหรือหอดพระมหาโพธิสมภารลูกชาวบ้านนาวาการามหรือบ้านชาวเรืออยู่วัดตีนดอยเก้งได้พบท่านและขอจาร์คัดลอกตำนานดังกล่าวไว้เมื่อปีจุลศักราช885หรือพุทธศักราช2066 และหลังจากนั้นก็ได้มีการจารคัดลอกตํานานกันต่อๆมาหลายชั่วอายุคนพระธาตุประจําปีเกิดคนเกิดปีชวดได้แก่พระธาตุจอมทองจังหวัดเชียงใหม่คนเกิดปีฉลูอได้แก่พระธาตุลาปางหลวงจังหวัดลําปางคนเกิดปีขานได้แก่พระธาตุช่อแหจังหวัดแพร่คนเกิดปีเถาะ ได้แก่พระาธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านคนเกิดปีมโรได้แก่พระพุทธสีหิงวัดพระสิงจังหวัดเชียงใหม่คนเกิดปีมาเสงได้แก่ต้นพระศรีมหาโพพุทธคยาประเทศอินเดียหรือจะไหว้ต้นโพตามวัดต่างๆแทนก็ได้คนเกิดปีมาเมียได้แก่พระาธาตุย่างกุ้งประเทศพมา่า คนเกิดปีมาแม่ได้แก่พระธาตุดอยสูเทพจังหวัดเชียงใหม่คนเกิดปีวอกได้แก่พระธาตุพนมจังหวัดนครพนมคนเกิดปีระกาได้แก่พระธาตุฮริพุนชัยจังหวัดลำพูนคนเกิดปีจอได้แก่พระเกศแก้วยุรามณีบนสูงสวรรค์คนเกิดปีกุลได้แก่พระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงราย ข้าพระเจ้าในสิงฆะวันอาศัยอยู่บ้านเลขที่หกสิบเอ็ดเขตหกบ้านสันป่ายางหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนได้แปลพุทธตำนานพระเจ้าเรียบโลกหรือตำนานพระบาทพระธาตุต่างๆบางแห่งก็เรียกว่าพุทธจารีฉบับนี้โดยอาศัยต้นฉบับของวัดทั้งหลายต่อไปนี้ 1>, 1วัดหัวชัวตำบลเวียงยองอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนจานเมื่อพุทธศักราช2425 2. วัดต้นเงะตำบลประตูป่าอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนจานเมื่อพุทธศักราช2450 3. วัดบ้านเอื้อมตำบลบ้านเอื้อมอําเภอเมืองจังหวัดลำปางจานเมื่อพุทธศักราช2453มีสิบผูก 4. วัดบ้านเอื้อมตำบลบ้านเอื้อมอำเภอเมืองจังหวัดลำปางจาร์เมื่อพุทธศักราช 2,394 มี10ผูก 5. สำนักงานสอธรรมพักดีกรุงเทพมหานครพิมพ์เป็นอักษรไทยกลางชำระโดยมหาศีลาวีระวงแบ่งออกเป็น18กันพิมพ์เมื่อพุทธศักราช 2,504 ได้อาศัยทั้งห้าฉบับนี้เป็นเครื่องเปรียบเทียบเพื่อหาข้อความที่ถูกต้องเพราะเขียนสืบต่อกันมาหลายร้อยกว่าปีโดยเฉพาะฉบับหมายเลข5ห้าที่พิมพ์เป็นอักษรไทยกลางรู้สึกว่าเคลื่อนคลาดและผิดจากความเป็นจริงมากเพราะตำนานพระเจ้าเรียบโลกเขาเขียนเป็นภาษาลานนาไทยแต่คนชราระเป็นคนลาวแม้ภาษาจะใกล้เคียงกัน แต่ภาษาเก่ายากที่จะเข้าใจได้เลยถือเอาเป็นหลักไม่ได้บางแห่งอ่านไม่รู้เรื่องเลยเขาพระเจ้าแปลเรื่องนี้ให้แก่ด็อเตอร์โดดเดลเคแวรร์อาจารย์สอนศาสนาอาเซียวิทยาลัยสวาร์มอร์เพนซินเวเนียสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นจึงได้แปลเป็นภาษาไทยกลางทั้งหมดเพื่อสะดวกในการที่เขาจะแปลเป็นภาษาอังกฤษต่ตอไปประการหนึ่ง เพื่อให้คนสมัยใหม่อ่านรู้เรื่องการแปลไม่ได้ร่างก่อนคือดูจากใบลานเมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้วก็พิมพ์ดีดลงในกระดาษทันทีสำนวนอาจจะไม่สละสลวยชวนให้อ่านแต่เมื่อจะพิมพ์เป็นภาษาไทยต่อไปจะได้ปรับปรุงสำนวนโวหารใหม่เพื่อคนไทยอ่านโดยเฉพาะข้าพเจ้าแปลจบเมื่อเวลา 11.15 นาิกานาทีของวันที่24เมษายน พุทธศักราช 2,518 วันพฤหัสบดีเดือน8เหนือขึ้น14ข้ามวันพรุ่งนี้เป็นวันประเพณีสงน้ำพระธาตุเจ้าหาริพุธชัย